เนี่มื่อกี้ไม่ได้น้องไม่หลับจะไปโรคประสาทนอกเหนือจากโรคประสาทแล้วลล ก, ล า, ล, ก ล, ล, วลายเป็นโรคมะเร็งนอโรคมะเร็งแล้วกลายเป็นโรคที่แทรกซ้อนกลายเป็นหืดเป็นหอบไปกลายเป็นโรค ล, ลำไส้ไปเลยเครียดขึ้นสมองทําไมขึ้นสมองลงลำไส้ต้องเป็นลำไส้ลำไส้เลลสียเป็นโรคลำไส้ดีไม่ดีก็เป็นโรคมะเร็งแก้ไม่ได้ต้องตายทุกหลาท่าลมดีมีปัญญาโรคยังหายได้สองคน พี่น้องเป็นโรคมะเร็งอยู่ปริญาโทจุฬาจะต่อปริญญาอีกหมอบอกมะเร็งขั้นสุดท้ายไม่รอดแต่ยังเดินต่อแตะได้บอกคุณหนูหมอบอกว่าตายใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่อคะช่วยหนูด้วยเถอะเอาละหนูถ้าจะให้หลวงพ่อช่วยหนูต้องชื่อหลวงพ่อนะตังะ้งใจเดินตรงกรมตายให้ตายตายหลวงพ่อจะเผาให้วัดนี้ เขาฟรีนะและเทศฟรีด้วยและความปฏิกาฟรีและมีญาติมาเลี้ยงฟรีอีกทำไมฟรีฮะยอมรู้ไหมทำไมฟรีฟรีนี่มีคนชอบนะถ้าเก็บเงินมีใครชอบเราเลี้ยงฟรีได้บุญมากบุญอยู่ตรงนี้มีความสุขได้มีโอกาสเลี้ยงเขาเมื่อกี้เลี้ยงแขกไปสองสาร้อยคนแล้วชื่นใจ ได้เลี้ยงเขาอิ่มหนำถึงเราหิวก็ไม่เป็นไรเนาะเราหิวก็ไม่เป็นไรขอให้คนอื่นอิ่มเถอะคนอื่นมีความสุขความใดเราจะมีความทุกข์ยังไงเล่าคนอื่นสุขล้วก็สุขด้วยไม่ใช่ไปเอาความสุขเขามาเลวถีบเอาความทุกข์ไปให้เขาคงไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนทรามญาติยมถาทุกชนทั้งหลายเนียอยู่ตรง <c oughs> หนูกลัวตายไหมกลัวตาย เอาละอยากเรือตายให้มันตายไปเลยเดินจงกรม ว, วาระสุดท้ายเลยผมเพิ่อเรือลนมาแล้วไม่ขึ้นเลยเป็นสาวจบปริญญาถุกเอาละตายหลวงพ่อจะทําศพให้พ่อแม่ก็เป็นห่วงลูกสาวบอกไม่ต้องห่วงตายเดี๋ยวทำศพให้อย่าไปคิดถึงเรื่องของไทยคิดถึงเรื่องตัวเองเดินจงกรมตายมันตายกำหนดตะเพิดปวดท้องมาก มาเลงวาระสุดท้ายเนี่ยชายหน้าหมดแล้วหมอบอกกินหมดแล้วข้างหนปวดหนอปวดหนอพอนั่งได้เดินจงกรมอีก้ัมานั่งยืนหนอห้าครั้งปวดหนอปวดหนอลองพ่อคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปปวดทายเลยพอปวดท้ายเนี่ยเดินแข็งแรงขึ้นอยู่ต้องเป็นร่วมสิบห้าวันเสร็จแล้วกลับไปซาวใหม่ ไปหมอชายทะเลไปเอ๊ะมาเลงหายไปหมดแหละไปทําอะไรมาเหรือทานยาอะไรเหรือไม่ได้ทานนั่งกรรมมาทานหมอเห็นด้วยหายเดี๋ยวนี้ทุกอย่างต่อปัญญาเอกทั้งคู่ต่อปัญญาเอกแล้วแต่เขาไม่ใส่เสมอไปนะยมนะไม่ได่ทุกคนบางคนไม่เอาบอกให้แม่เอาตามนี้เขาก็ต้องตายคนเราเนี่ยไม่ต้องกลัวตายนะ ให้มันตายแต่หมายเหตุตายอย่าเพิ่งตายเดี๋ยวนี้กลัวตายจริงแต่ไม่ไม่กลัวตายแต่ยังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้อยากอยู่กับลูกต่อไปอีกเนอะเอาอย่างนั้นไหมไม่เอาก็ไม่เป็นไรกลัวตายไหมกลัวไหมไม่จะไปกลัวตายให้มันตายเช่เชื่อตา ม, มาทค่อยหายใจไว้และกินข้าวไว้ มันจะตายไหมตายไหมก็ห้ใจได้แล้ไม่ตายหรอกไม่กินข้าวแล้วไม่ให้ใจมันจะตายใจเข้มแข็งชนะเสรีชนะกายตัวเองโลกหลายแน่แต่แล้วแต่ท่านทั้งหลายอรรมาบอกท่านมาเนี่ยธรรมานี่ขอคหกักทําไมไม่ตายหายใจสดือได้ ถ้าใครอยากจะรู้ว่ให้ใจสะเดือได้ลองดูหน้เดี๋ยวจะหาว่าอาตมากหกนะไปเลยไปที่ถนนให้รถทับคอให้หะกดูซ่วหายใจไหมสะดือเนี่ยนึกถึงแม่ตลอดแม่อาตมาเพิ่งเผาไปมาเรื่อเรื่อยเนี่ยร้อยหนึ่งปีร้อยหนึ่งปีเลยนะอารมดีตลอดสวดทางมะกาอ่านถือไม่ออกอารมดีพอร้อยกันหนึ่งปีแกก็ค่อยๆกําลังก็ถอยไป แล้วก็หมดลมไปโดยอัตภาพคือหมดสภาพไปเองร้อยอายุร้อยกว่าหนึ่งปีคนที่มีอายุยืนเนี่ยจะลมดีนะไม่มีโมโหขายอัตมาอยู่ก็โยมนันไม่เคยดูลูกไม่เคยด่าลูกเลยเนะแล้วไม่เคยไปทะเลานะกับใครแต่อัตมาจําได้มาจนอายุถึงเราเนี่ยถึงเจ็ดสิสามปีแล้วแม่ไม่เคยไปทะเลาะกับบาเหนือมันตายเขาจะด่าไงแกบอกลูกเลย อย่าไปสนใจกเขาเขาด่าเราก็ช่างอย่าไปรับเอามานะโยรุย้ยทํางานของเราไปเขาด่าเรายังไงเรา่าไปรับมานี่ก็เป็นการเสียงหนอเขาดา่าเราจอย่ารับตาสติไว้ที่หูเดี๋ยวคำดา่านั้นก็กลับไปหาเขาเองแล้วอย่าไปรับคํดาด่ามาไว้ในจิตใจให้โง่ทําให้ใจไม่สบายทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยคือคือกรรมฐานง่ายๆไม่ใช่ไปนั่งกรรมฐานบางที่กรุงเทพทางในห้องแอร์แล้วให้ยานทิพกขึ้นมาเอาแค่นี้ว่าเห็นด้วยปัญญาได้ไหมว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงยืนหนอห้าครั้งให้ได้ขอให้ทำอย่างเอาชุ่งง้องงให้ยอมว่าทาให้ได้นะยืนหนอห้าครั้งหายใจยาวๆท้องหนอยบหนอให้ใจให้ยาวไว้ ผลให้ใจชั่นเนี่ยอารมณ์ร้อนและแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ทาอะไรให้ใจยาวๆอย่าให้ชั้นกํานกหนดให้ได้คิดหนอตรงเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานกําลังเรียนหนังสือคิดไม่ออกกําหนดตรงเนี้ยให้ใจอย่าปากให้มันลึกคิดออกเขียนเลยไม่เคยพลาดคิดนั่นออกมาเร็วด้วยและถูกต้องเลยแล้วคิดเนี่ยเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลย แต่ผู้ปฏิบัติกรรมาฐานไม่ไม่ใช่หวังยังหวังจะไปนสวรรค์นิพพานบางแห่งมาทํานี่แล้วไปวัดโน้นออกไปวัดโน้นไปได้ยานโน้นยาเ น, นี่ยอะไรแต่แค่ระลึกชาติของทีวิตได้ไม่ทําไม่ได้รู้ ก, กดแห่งกรรมไหมอะไรมีฟ้าเหนือฟ้าเหนือกอดแห่งกรรมมีไหมที่เราสร้างกรรมมาต้องใช้ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเอาพระไปสวดตัดกรรมตัดไม่ได้แล้วยมถ้าตัดได้ตมาจะตดัดก็าตัดได้ ต้องใช้รีบใชเลยเริ่มตนม้น้วยการปกเหวี่ยงที่แม่สอที่ทีบค้นแก่ล้ม่น้าล้บุรีไปสมัยแต่มาเป็นเด็กเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเขาก็จะขึ้นจากไาม่น้ามาได้คลานขึ้นมาได้คุณเมาคืนก็หวานเราก็ตกเหวไปขึ้นตะ ก, การเนี่คืนก็หวานตอนเป็นพระรถยังพังอยู่ในเหวตอนที่สองพันห้าร้อย ปศต้องพังรอยเวงกรรมตามสนองตลอดไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่มีเวงกรรมตามสนองแต่มาจึงบอกกระเจ้ากรรมในเวนเจ้าเวในกรรมว่าข้าพเจ้าคอหักหักคอนกตีบอกเลยไอ้ปัญญาในตัวนี่สาคัญมากสามารถจะรู้ว่าเราหักคอนกทีหลังจากสีมืองฉินตอนอยู่มัธยมสามยิงและหักนกนกคอปนกเป็ดยิงไปเลยร้อยเลย เดากรจายห้านัดยิงทีห้านัดนกโลดไปร้อยขนาดที่มันบินขึ้นเป็นฝูงใหญ่ๆตกลงมาก็หักคอสนุกสนานเมื่อเป็นเด็กเลยเราก็ต้องคอหักที่เราไปหักคอนกมารับจ้างต้มเตาก็โดนไฟลวกน้ำร้อนลวกสบาบนก็ย้ายไว้ละกอาจารย์ว่าไม่ได้เอาสถาบานให้ฟาผ่าพาซิกุตีเลย้าจวงจววอนไหมหมดเลยม่เหลือ หูตึงไปหกเดือนกว่าจะได้ยินแล้วก็ปวดแผลปวดร้อนเป็นเวลานานหนึ่งปีนี่แหละสถาบานก็ย้ายไว้กระตังทีละกระตังย้ายเราคิดว่าเป็นของยายคงไปของเหลับไม่ได้นะถึงจะเป็นสามีภรรยาแต่ภรรยาย า, ยากยอกเงินสามีโดยไม่บอกเป็นบาปสามียากยอกเงินภรรยาไม่บอกกลงไปกลงมาเป็นเป็นบาป จะได้เห็นบาปถ้าไปสร้างความดีจะเห็นเลยว่าเราเคยรักขัดตังสามีสามีเคยรััตังเราต้องได้รับอนุญาตทั้งนั้นหากว่ายมนั่งมีลูกผู้ชายจะหนี้มาบวชไม่ได้มีใครรับต้องได้รับอนุญาตจากบิดามดารดากรถึงจะบวชให้ได้หรือลูกชายเป็นนักาดชะก็ต้องล า, ด า, าเดชะกันมาขอไปสมบท ลากรีแล้มาบวชไม่ได้บูชาโดนถอดนะบูชาโดนถอดเลยบูชาโดนถอดยังไม่พอใครกันนั้นต้องโดนไล่ออกเพราะเอาคนหลวงรักคนหลวงมาบวชไม่ได้ไมาได้รับอนุ ญ, ญาตในการยู่ไม่ใช่ไม่ได้รับพระบรมราชาอนุ ญ, ญาตฉันใดก็บฉันนั้นอาตมารักต่างยายนึกว่าของยายก็ของเราไม่ใช่ยายบอกว่าไม่รีใครเอาไปเธออย่านี้ใช้เสีย รับซะยายไม่ว่าอะไรแล้วเอาไปก็บอกเอาไปนึกสายแล้วมันเกเรกระเสียบอกไม่เดาไปใจแข็งเอาใหมา่ไปสบานได้ไหมได้ให้ผ้าพานะครับสบาลเรารู้จักสบานเราไม่ได้บอกว่าตายนะผ้าพานิดเฉยเลยก็ผ่าเฉยเนี่ยอ้ โ, อโหยาเชวนะทรมานที่สุดฮะสายเขียวเข้ามาสายแดงามาแฟดที่ตัวเราไหมหมดเลยจ่บอก เหลือแต่ชูบันเกิดเลยต้องรีบเขากุติเลยเห็นไหมอส่งอ้อรู้เรื่องไหมเหลือจะทุูบันเกิดเลยผ้าที่ไฟฟ้าพายังอยู่เลยไม่ไปครึ่งเลยไ ม, ไม่ใช่มีขวานฟ้าพาลงมาอย่างนี้ไม่ใช่มีสายชุอกเขียวมันเข้ามาทุ่กุติตัดตัดตตัดสายแดงเข้ามาโดนเราเลยชัดควันเต็มกุติเลย แล้วโยมนั่งอย่คุยอยูยมไม่เป็นไรเลยว้าเขแาแม่นไหมพาแม่นไหมพาาเราคนเดียวน่าจะโดนโยมมั่งก็ไม่ถูกนะคุณอ่อกล่าว้าผาไหมยาเช่นะโอโหปวดแสบกวร้อนเป็นตีหูตึงเลยพูดกันต้องเขียนหนังสือเนี่ยเลยบางทีเนี่ย หลังจากหายดีแล้วก็นางกรรมฐ า, านแผ่ให้จบกรรมในเวนบอกคุณยายต่อไปผมจะไม่โกหกผมจะไม่ลากตะตังหรอกนะไหนๆยายก็ตายไปแล้วเนาะมีสบาลมาั้งไหมเนี่ยเคยสบาลมาั้งไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีดีทานาฝนมาอัตามาเสียงฟ้าคืนๆๆ กองกระชิบบอกมีใครสบาบันไหมถ้ามีทาหาขอเจริญพรลาก่อนลากลรู้แล้วเค็ดเลยเี๋ ย, ยวจะพาผิดตัวมาเอาเราเข้าสิแต่ฝ้านี่คงไม่ผิดนะหนีไปเนี่ยองตามผพาใ น, น, น, น, นี่ยอะจาไว้นไม่ฝ้าเหนือฝ้าเหนืออดแข่งตามไม่มต้องโดนฝ้าผ่านแต่จะสถาบานเนี่ยสู ง, งองเย้ยต้องคอยใจสาบานนะ ยายบอกให้ฟ้าพาเนะี่ยครับแต่วงเล็บนึกในใจบอกไม่ตายนะฟ้าเอ๋ยอย่าพาเราตายนะเราไม่โดูก็ตายนะไม่ตายเลยไหมใครบังดูให้กายฟ้าพามาต้องตายไม่จริงเอาเราคนเดียวกูตีหลังเก่าไม่ใช่หลัง่ตรงที่พาเสื้อนะั่นไหมหมดแวบแวบ ขวันอบเหม็นดินปืนเหมือนไอนค้คลายดินพลุใครบอกฟ้าผ่ามันมีขวานผ่าลงมาไม่จริงคัเหมือนอย่างไฟชอ็อตสีเขียวกับสีแดงมาชนกับที่หลังแฟบหน้าตามืดหูหนวกเลยหูตึงเลยไมย่ยิงยิงอยู่ต้องไฟต้องหกเดือนกว่าจะได้ยิงที่หูแย่เลย อันนอ๋อเนี่ยเวงกรรมตามสนองเราไม่ต่อไปในชาติหน้าใช่เลยการเจริญกรรมฐานเป็นการใช่นี่กรรมเก่าสร้างความดีใช่นี่กรรมเก่าให้หมดไปอย่าโยมทั้งหลายเอ่ยนี่เงินนี่ทองขยิมเข้ามารู้จักใช้หมดแต่นี่บุญคุณไม่มีทั้งหมดพระคุณของคนเนี่ยไม่มีหมดเลยอย่าลืมพระคุณคนนะ น้ำพระคุณอุ่นปล้าทุกเช้าค่ำรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นหน้าจากน้าหลา ย, ยังไม่เย็นล้ำท่วน้ำพระคุณน้ำพระคุณของพ่อแม่ไม่มีหมดนะข อ, ของครูบาอาจารย์ที่สอนวิชาให้ก็ไม่มีหมดแต่นี่สิ่ที่เราก็เย็มเขาใช่แล้วก็หมดแต่พระคุณอุ่นกล้าทุกเช้าค่ำไม่มีหมดรอด้วยน้ำเมตตาจะหาไหนเหมือนน้ำค้างเย็นละน้ำผาหลา ย, ยังไม่เย็นล้ำท่วมน้ำพระคุณ น้ำพระคุณนี่ช้ำขันมากอาตมาไม่เคยลืมบุญคุณใครเลยเราถึงเจริญอาตมาให้ใครใครจะไม่จดไม่จําให้แล้วไปลืมเลยทําไมไม่จดเพราะเราไม่ต้องการหวังผลตอบแทนเลยให้แล้วแลกกันไปใช่ไหมชุ่ ง, ง้อแต่ใครให้น้ำํำข้าพเจ้าถ้วยจะไม่ลืมบุญคุณเราต้องสนองพระเดชพระคุณเข้าในโอกาสข้างหน้าให้ถึงได้ตอนอาตมาเป็นเด็ก ก็ไปกินข้าวบางไทยเขาแต่เขาเคยอุปการ์แล้วอย่างไะจะไม่ลืมพระคุณเลยแเราเรามาบวชเขามาวัดเลี้ยงเต็มที่เลยเราไปกินข้าวบางังเขามาก่อนเขามากินเราบ้างสิเนาะเลี้ยงเต็มที่เ่าให้ลูกสาวคุณหญิงสุเนศพงทพพลเลื่อพนพงทพพลฟังเมื่อสองวันนี้เขาเป็นประธาน สมาคมนายกสมาคมตจตไทยัยนายพระลมลาที่มีประทังที่ปรึกษาเขาก็คือท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโุไทยเราเลีเ้ยงอาหารไปเลยเล่าเขาฟังบอกว่าจะมาไปเยียนช่างโอนที่บางรงุธรองจะเรียนฟงโซพลไม่เลี้ยงพระคุณคุณแม่ของคุณผานิทเคยเลี้ยงข้าวเราเมื่อเราเป็นเด็ก ไข่ต้อมลูกกระวูตัวแล้วก็มีหมู ห, หมูพระโลชช่นนึงนานตั้งเป็นเลยเราก็ขอหักแล้วบอกว่าขอให้เรามาใช้มีมนุษย์ทั้งหมดตปอยู่มาในชาคุณชูเนตตอนนั้นยังไม่เป็นคุณหญิงมาที่วัดนี้กับคุณหญิงแสงดาวสยามวลาที่เป็นอิสลามแต่มารู้จักกันดี กระบาอดวงยนอุลิอันาบันโป่งตายไปเนี้ยเลยมากับอธิบดีสอมพอรเสฟตธิธาอำนวยอินทพูติจะพาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยใ น, นพระมลิขิตแลวก็คุณรับพาดอวยชายอัตมาก็ได้ท่าวเนี้ยโยมชื่อไลน์นเนี้ยฉันชื่อคุณทุเนศได้มาด้วยสองปีเป็นคุยหญิงทุเนศพงษพจ น, น เป็นธัญญาจันเลื่อนนาวาเอกเลื่อนใช่ไหมองค์ทศพลบอกชาติเอาละดีแล้ววันนี้จะใช้นี่โยมจำอตามาคงไม่ได้แต่อตามาไปเรียนช่างกลแล้วเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ตายถังนะนะนะคู่กระบบนตลังมาทุวัตเกตนี่แหละคงค์เคมอเตอร์ไซค์แล้ ว, ลวเคยเคยดูมอเตอร์ไซค์ตายถังไหมในองค์นี้ที่วัตเกตลั ง, ลงเรือนที่สอง ตอนนั้นจะงเปเด็กรุ่นรุ่ครูก็ระเบอมตะหลังเคยได้ยินระเบอมตะหลังไหมมันจะยิงก็แล้วไปเนาะทําไมต้องเลิกไอ้เพื่อนทีมมนเตอร์ไซค์คนบนถังตากถังนั่นเอาแบงส่ง ม, มาควา้าคว้าผิดพอาะค้าผิดรถเสียหลักเลยโดดถังตายเลยพอหาตายเลยเลยเราก็ถวายพระโคมลา ทำไมงั้นเราคงมองเพลงคงไม่เจอโยมเนาะคงตายไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นเวลานานมากอาจจะเป็นเด็กเด็กรุ่นลนูจะ เ, กเลกกทะแล้วลังบอกไอ้หนูมึงได้กี่รอบแล้วบอกยังไม่ยาซักรอบเลยลุงอู้ห้ารอบไปนะะมีคนดูเหรอนี่ยังไม่ทันจะดึกเลยจะท้งหวข้ามอู้ห้ารอบเนี่ยได้เงินเยอะขอดูหน่อ ย, ยได้ไหม เนก็เข้าไปดูระบำสลังนึกว่าเล่นยังไงแล้วนึกว่าเียนเรียงประชังทองเนาะแล้วก็คนดูนะมันมีนมมีสาวเลยไม่มีเลยอย่งุมย้อมั้นเลยนมนมอย่างนี้รุ่นนี้งอกงอกรึไเลยต้องขอโทษเลยออกเลยไปโทรเลยลุงลุงหลังนี่ระบำลุงอย่างนี้เหรอเออไอหลานนี่แหละระบำลุงอย่างนี้ได้เงินเยอะ ถุงอ่อเคยดูไหมสิงคโปร์ไม่มีเดีแล้วบามมันนะสิงคโปร์ไม่มีเนาะม่แต่เพศไทยเดี๋ยวนี่มีหางเครื่องนะรู้จักหางเครื่องไหมเนี่อยู่สิงคโปร์ไหมอยู่รู้จักหางเครื่องไหมที่ตูทายป้ายทรายมาเอาเตียอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นไหม รู้จโทนัดไหมร้องค่าน้านมของแม่วันแม่ทิพยองถึงหาชาน้ำหลวงแหมมันเป็นฝรั่งแท้ค่าน้านมของแม่แค่ไหนแล้น้ำตาไหลหยดร้องแล้วผู้หญิงฝรั่งร้องเพลงวัฒนธรรมไทยนุ่งผ้าไหมคนไทยร้องเพลงอะไรรู้ไหม นี่มันนอกเรื่องแล้วร้องเพลงไทยค่านมนมของเมียดีที่สุดอะไรจะดีท่านงมเมียนมแม่จะดีได้อย่างไรเนาะใช่ไหมอันนี้เพลงฝรั่งมาลองไอไอโชอะไรโชนัดโชนัดอะไร ย, ยมรู้จักไหมโอ้โหร้องแอวเก่งจัง <c oughs> เขาเลอกันะอตาตมายังไม่ได้ไปดูว่าจะหามาเล่นที่วัดเราทุกหน เนาะโชนัตกับแม่โชนิร้องเก่งทุกร้องด้นเก่งเลยคนไทยสู้ไม่ได้คนไทยร้องคานาเมลมของเมียชราแต่โชนัตร้องคารานมลมของแม่อะไรดีทีละหยดทียาเนี่ยน้ำมัแม่เนี่ยแหมซึ้งใจร้องแล้วน้ําตาไหลเลยไม่ใช่เราน้ําตาไหลนะี่ยตัวเขาน้ําตาไหลเขาเคิดถึงแม่เขา แต่เราไม่ชาบอกแม่เขาเป็นคนไทยเยอะหลังแต่ทำไมร้องเพลงเก่งได้ทุกอย่างเพลงบางใบก็ร้องเด็ดเพลาะมากแล้วก็เพลงแอวเพลงผ้าอีสานหมอลําว่าเลยวสวยถุงเงาร้ อ, องเพลงได้ไหมร้องได้หลายมากแต่ทุกคนเนี่ยร้องได้เช่นนั้นร้องได้นะมะ ร้องได้เพลงเดียวมั้งนะร้องได้เพลงเดียวร้องไห้เนอะร้องไห้ยร้องเป็นแต่ร้องเพลงร้องอย่าไปร้องมาเลยเนอะแต่ก็รู้ไม่ใช่วาชบาแบกหามมีประโยชน์เหมือนกันเราอายฝรั่งร้องเพลงได้เยอะหมดคางนงของแม่แล้วกคุณของบิดามารดาคุณทูมาจาร์ร้องได้เพราะมาก เป็นฝรั่งแท้ๆ แ, แล้วร้องชัดเจนนะร้องได้ชัดแล้วก็เสียงดีด้วยคนไทยแพ้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาฝึกได้ตรงไหนยางไรหนี่กล่าวถึงว่าทานเจริญสกรรมฐานมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากย่มกลับไปแล้วก็ตั้งใจทําเดินจงกรมเนี่ยมันมีประโยชน์ห้าประการหนึ่งเป็นการ อดทนต่อการมาเพนเพียนเดินทางไกลอดทนต่อการเดินทางไกลอดทนต่อการมาเพนเพียนสามทำให้โรคภัยไข้เจ็บหายหได้สี่ทำให้อาหารที่รับทานไปย่อยง่าอห้าสมาธิการเดินจงกรมตั้งได้นานกว่านั้นต้องเดินก่อนแล้วค่อยนั่งนั่งไปต่อไปได้ผลอย่างชมค่าศาถนา ถ้าเรามีบุญอยู่ตรงนี้ต่างสติปัญญาจะอธิฐานนี้ก็ขึ้นถ้าเราไม่มีอะไรเลยเนี่ยอธิฐานจะขึ้นได้ยังไงอธิฐานไม่ขึ้นอย่าไปปราดทนาให้มันสูงเอาแค่นั่งเจริญสติปัญญามันปวดเมื่อยแบกําหนดปวดหนอปวดหนอเป็นการศึกษาเกิดขึ้นต่างอยู่เดี๋ยวก็ดับไปจิตจะได้ไม่ทวผุหวังจิตจะได้ไม่เป็นหลงจิตจะได้กลับมามันจะได้ไม่ปวด ไม่เมือ่อยนะไม่ปวดไม่เมือ่อยค่ะบางคนเนี่ยมันปวดพวกเขา่าปวดอะไรต่างๆบางทียายุยังน้อยยังไม่มากนะเราก็เพิ่มยาลงไปไอต้ตะไคร้ชงดีสุดอีกคนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเบาหวานไอ้พวเข่าเนี่ยหมอบอกว่าเสื่อมต่อไปคุณจะเดินไม่ได้จะต้องเจาะเอาน้ําออกแล้วก็ต่อไปเดินไม่ได้แน่นอนาอายุเพิ่งสามสิบยังสาวอยู่ เราบอกว่านี่ยยอมเชื่อตอมานะกินน้ำตะลทรายด้วยจะเดินตรงกรมจะพุทหมอไม่ให้เดินไมห่หนักกระดูกเสื่อมไม่เป็นไรไม่ต้องไปกลัวตายทานน้ําตาลทราห้ามทานกาแฟกาแฟกับกระดูกนี่มันมันถแถลแต่เขาเป็นเบาหวานเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเบาหวานอย่างแรงบางครั้งปูกเป็นลมไปเลยต้องเอาน้ําตาลมาหยอดใส่ปากที่จะค่อยฟื้น หนักเข้าเดินตรงกรมนนแล้วน่ะแลวกระโมอ u าแลวกระชงตะไคร้เลยพลอยเบาหวานหายไป้ลยเบาหวานก็หายด้วยแล้ว ก, กระดูกก็หายทื่ว่าตรงเนี้ต้องไปผ่าต้องใสไไ่ไอ้อะไรพลาสติกเป็นลูกสะบ้าแทนหายเลยกลับแขงขึ้นมาเดี้ยองอยู่เมื่อมาเชิญก็มาที่วัดห้าปีไปแล้วอาดุสามพันห้าได้ บอกว่าหลวงพ่อครัหนูกําลังแรงขึ้นยังไม่ปวดไม่เมื่อยเลยขับรถสบายมากตะกอนขับว่าไม่ได้อ่ะไอตรงข้อนี่มันเชื่อมลุกจากรถทีจะเดินเนี่ลําบากจะลุกทีจะนั่งทีลาบากมากเดี๋ยวนี่ลุกได้เินสบายนี่แหละเดินตรงกรมแล้วก็ประกอบยานี่หน่อยคือตะคราชงเลยบอกว่าหนูไม่ทราบว่ามันแก้เบาหวานได้ เคยไปตรวจเบาหวานทุกสัปดาห์หรือหนึ่งเดือนหมอบอกว่าเอ๊ะเบาหวานทำไมหายไปนีอัตมาก็พูดมาพอสมควรแล้วบูชาตั้งใจน ะ, จะเจริญกรรมาฐานสวนมดมนต์เป็นนิจอันติฐานจิตเป็นประจ و, ําโอ้หติกรรมนุงก็แผ่ไม่ตาพอสบายอกสบายใจแล้วโยมก็ตั้งใจแผ่ไม่ตาจะให้ใครแล้วก็บอกไปเลย ไม่จําเป็นต้องไปนั่งกรรมฐ า, านนี่สวดมนต์ก่อนถ้าอารมณ์ดีเนะีะใจสบายปลอดโปร่งเนะี่ยแล้วก็อยู่ที่ ไ, ได้กําลังขับรถเนี่ยอารมณ์ดีๆจะแผลไปให้ลูกคืออเมริกาลูกกาลังเรียนหนังสือก็ได้ผลถ้าอารมณ์ไม่ดีอย่าไปแผ่แผลไม่ออกเสียเวลาเปล่าทําไมจะแผ่ได้ต้องไปสวดมนต์ก่อนเนี่ยก็ภาวนาให้อารมณ์ดีกําหนดให้ศิก ด, ดีมีปัญญาจะแผลให้ใครก็ได้ สวดมนตนไปเรียนอธิษฐานจิตเป็นประจำอธิษฐานจิตตัวนี้แปลว่าอย่าทิ้งงานและหน้าที่ไม่ใช่อธิษฐานคอยเป็นนอนไปนี้ไม่ใช่ถ้าเราดีแล้วมันก็เป็นได้เองโดยอัตโนมัติอย่าทิ้งหน้าที่การงานรับผิดชอบอโหสิกรรมก่อนแล้วก็แผ่เมตตาอย่ากโกรธใครไว้ในใจอยา่าขูกใจโกรธอิจฉาทิศยาท่านบูใดแล้วเราก็แผ่เมตตาออกอโหสิกรรมก่อนไม่โกรธรวมจะได้ผล สมคันมากตัถ น, นาขออำนาจกุมาศิลป์รสนใจมุกขสมทั้งหลายโดยประทานพรนี้อย่าโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านจงประสบแต่ความสุขสันนิลนดอนก็จงเจริญจต่ถูกพิรรพรชายสิบหลัการมีอายุขอยืนนามโนโพิภูพันผ่องใสสุขทางก็ใหสุขภาพกายอนามายัยทุกท่านโตได้ใจดีโรคไขข้เจ็บมีก็โปรดหายสิ่งทั้งหลายที่คิดไวนะ้นบัดนี้จะคิดต่อไปโอกาสหน้าจงพลังงานเกิดความชั่มเหตุเผด็จพล สมแจกจำนงความหมู่มาตราฐานด้วยการทุกๆท่านณโอกาสบัดนี้เทินอขอเจริญพรทุกๆท่านทุกข์เขาค่ะ